บทนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปจะ ไ, ได้แสดงในเรื่องของขันทั้งห้าประการคือหมวดแห่งขันทั้งห้าที่ทรงแสดงไว้ในมหาถสติปัฏฐานสูตรนั้น กำหนดให้ผู้ศึกษาพินิษ์พิจารณาในสามช่วงด้วยกันคือตัวของขันห้าแต่ละข้อได้เหตุเกิดและความดับของขันทั้งห้าเหล่านั้นเป็นการศึกษาเพื่อให้รู้ถึงอาการเกิดดับตามเหตุปัจจัยของขันทั้ง5ประการ เพราะปะัญหาในชีวิตของบุคคลเหล่านั้นตึงสังเกตว่าจะมีความเกี่ยวเนื่องอยู่กับขันทั้ง5ประการสิ่งที่เป็นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นนําไปสู่ความเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาจะเกิดการแบ่งแยกแต่แม้จะสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลนั้นเมื่อกล่าวโดยสรุป บาลีท่นใช้คำว่าอัตตาอัตนญาคือตนกับสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยตนตนก็หมายถึงตัวของบุคคลแต่ละคนสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยตนอาจจะเป็นญาติพี่น้องวงศากณายาติทรับสินเงินทองต่างๆเปน็นต้นซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความรักใคร่ปรารถนาพอใจของบุคคล ต่นนั้นถาเหตุอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับตนและสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยตนในลักษณะนี้ความโสความรับรยลำพันความทุกข์ความเสียใจความขัดแค้นใจเป็นต้นก็จะบังเกิดขึ้นแต่สิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยตัวนั้นในทางที่ไม่พึงปรารถนาก็มีคือมองในแง่ของความเป็นจัตรูมองในแง่ของความไม่เป็นมิตร แต่เมื่อสิ่งเหล่านั้นเข้ามาเกี่ยวข้องก็จะนำความเดือดร้อนความไม่สบายใจความอบื่อหนาจใจมาให้แก่ บ, บุคคลเหล่านั้นตานการสอนในแนวของขันธ์ทั้งห้าประการนั้นพึงสังเกตว่าจะมีการสอนในระดับระดับค่อยๆเรียนรู้ถึงความจริงออกไปเรื่อยๆเพรโดยพื้นฐานที่ก่อให้เกิดความรู้สึกในลักษณะดังกล่าวหรือพูดง่ายๆว่าเป็นความรักความช่างนั้น เกิดขึ้นจากใจของบุคคลไปกำหนดหมายในลักษณะรวบหรือในลักษณะที่แยกพร้อมที่จะก่อให้เกิดความกำหนักและความกัดเคืองได้ด้วยกันทั้งนั้นแต่ว่าประเด็นที่สำคัญเมื่อมาถึงจุดหนึ่งที่ต้องการให้เข้าถึงความจริงที่แท้จริงของขันทั้งห้าเหล่านั้น ก็รทรงสั่งสอนให้บุคคลกรจัดความรู้สึกที่เราเรียกว่าวิปลาสคือความคิดความเห็นที่คลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงซึ่งได้กล่าวมาแล้วสองประการคือมองเห็นสิ่งที่ไม่สวยไม่งามว่าเป็นของที่สวยงามก่อให้เกิดความกำหนัดความเพลิดเพลินความพอใจสยบติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้น ยามใดที่สิ่งเหล่านั้นต้องแปรผันพลัดพรกพากเก่วกไปก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจยามที่ต้องอยู่ร่วมเป็นร่วมกินร่วมนอนร่วมก็จะเกิดความหว่วงความพวงกับสิ่งเหล่านั้นยามใดที่ไม่ได้ก็เกิดความกระสันอยากปรารถนาจะได้จะมีจะเป็นสิ่งเหล่านั้นเปนใจก็แกว่งไปด้วยอํานาจของความกําหนดด้วยอํานาจความกําหนัด ในอารมณ์ทั้งที่เป็นอดีตทั้งที่เป็นปัจจุบันทั้งที่เป็นอนาคตแต่เพิ่งสังเกตว่าจิตใจจะเปลี่ยนไปเป็นอดีตนั้นจะมีลักษณะขว้คว้าปรารถนาเป็นปัจจุบันนั้นจะมีลักษณะยึดมั่นถือมั่นคงเป็นเรื่องของอนาคตจะเป็นเรื่องของความกระสัญญยามุ่งได้มุ่งมีมุ่งเป็นในการต่อไป ความไม่สงบก็ยังเกิดขึ้นในจิตใจพร้อมทั้ง3การและการเกิดนั้นจะเกิดขึ้นแม้ในปัจจุบันเพราะในปัจจุบันนั่นเองจิตจะแกล้งไปสู่อนาคตปัง่งไปสู่อดีตปัง่งความรู้สึกด้วยอำนาจกิเลส ก, ก็ดีความรู้สึกด้วยอำนาจของความทุกข์ก็ดีก็พร้อมที่จะครอบงาจิตใจของบุคคลโดยพื้นฐานดั้งเดิมของความคิดก็คือไปกําหนดหมายสิ่งเหล่าง น, นว่า สวยงามน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจและยังมองลึกขึ้นไปยิ่งกว่านั้นคือไปเห็นสิ่งซึ่งไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรว่าเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนในข้อนี้เป็นเหตุนํามาซึ่งกิเลสตัณหาอน า, น, านาประการที่ก่อให้เกิดการไขว้คว้าการยึดจิตการหวงแขนการตะนุถนอม หรือการไม่สามารถทำใจได้เมื่อสิ่งเหล่านั้นต้องพลัดพรากแปรผันไปเพราะอะไรเพราะว่าส่วนลึ ก, ลกๆภายในใจของบุคคลทั้งหลายนั้นจะมีความรู้สึกที่บาลีทัานใชคคำว่าสัสตตทิ ท, ทิคือความเห็นว่าเที่ยงแท้แน่นอนแล้วก็ปฏิเสธความจริงซึ่งเป็นจริงได้แก่การไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันจึงเกิดไปยึดมั่นถือมั่นว่า สิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนนั่นแหละเป็นความเที่ยงแท้แน่นอนเพนัก็มุ่งหมายที่จะให้เป็นอย่างที่ตนคิดว่ามันจะเป็นตัง้งๆที่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นพอสิ่งเหล่านั้นแสดงความจริงออกมาให้ปรากฏใจยอมรับไม่ได้ก็เกิดความโศกเศร้าเสียใจกันด้วยประการต่างๆทำไมจึงเกิดเห็นเช่นนั้น ตอนนี้ท่านแสดงว่าเพราะว่าสิ่งทั้งหลายนั้นมีลักษณะเลื่อนไหลที่สืบต่อกันไปสำนวนปรีตัญใชก้กำวมาสัน ต, ติคือมันไหลต่อกันมาไม่ขาดสายเหมือนกระแสน้ำกระแสไฟหรือแม้แต่อายุของเราที่ถูกปรนปรือไว้โดยลมหายใจเข้าออกตรจเ็นว่าเอาจริงลมหายใจออกแล้วไม่เข้าเข้าแล้วไม่ออกชีวิตมันก็ดับแต่พอดีก็มีการผ่อนหายใจเข้าออกได้ไมาเรื่อย ชีวิตเราก็ดำรงอยู่ได้สิ่งทั้งหลายที่ไหลไปตามกระแสของมันก็มีลักษณะอย่างนั้นแล้วบุคคลไม่มองให้ละเอียดก็จะมองเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนที่ยืนโรงที่เที่ยงแท้อยู่อย่างนั้นทั้งๆ ท, ที่ในแง่ของความเป็นจริงแล้วก็มีความแปรผันกันอยู่ทุกขณะและการต่อไปนั้นมองเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุข ซึ่งก็ให้เกิดความไขว้ความปรารถนาในลักษณะเดียวกันในแง่ของความจริงที่เป็นจริงความสุขระดับโลกิยะนั้นไม่มีจะมีได้ก็เพียงความทุกข์ที่ลดลงไปเท่านั้นเองความทุกข์ลดลงไปในระดับหนึ่งเราก็เรียกว่าความสุขจะนั่งเป็นสุขนอนเป็นสุขกินเป็นสุขอยู่เป็นสุข มันก็เป็นเรื่องของความเปลี่ยนแปลงที่เราใช้อยู่ในขณะนั้นๆันน้ถ้าจะต้องการพิสูจน์ทดสอบว่านั่งก็ไม่สุขนอนก็ไม่สุขยืนก็ไม่สุขเดินก็ไม่สุ ข, ก, สขก็ทํานานๆทีนน่นั่งนานๆยืนนานๆ น, น, นอนนานๆเดินนา น, น, านๆก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วอาการที่แท้จริงแก่จะก็จะปรากฏแต่ทำไมคนถึงมองสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นสุขได้ ก็เพราะมีการผัดเปลี่ยนอิริยาบถกันอยู่เสมอนั่งด้านขวาเป็นทุกข์ก็พลิกเป็นด้านซ้ายพลิกไปพลิกมาก็ยืนสับ้างเดินสับ้างนอนสักบ้างเพราะการผัดเปลี่ยนอิริยาบถต่า น, นี้เองที่ทําให้ความทุกข์ที่แน่ชัดไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นในแนวการปฏิบัติเพิงสังเกตว่า ตอนที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเพียรก่อนที่จะสัตยรู้ประทับอยู่ภายใต้ต้นประสีมหมาโพนั้นทรงประทับนั่งในลักษณะอธิษฐานคือสัจจาอธิษฐานโดยตั้งประทยเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ว่าแม่เลือดเนื้อในกายจะเกิดแท่งไปยังเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามถ้าหากว่าพระองค์ไม่สัตรู้ก็จะไม่ยอมลุกขึ้นตอนนั่งไประยะหนึ่งอาการของทุกขสัต์ก็ปรากฏ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือทุกขเวทนาที่มีลักษณะแผดเผล่ยก็ปรากฏเกิดขึ้นมันก็ใช้ทุกนั้นแหละเป็นอารมณ์ที่เราเรียกว่าเวทนา น, า, านุปัสนาสติปัฏฐานเวลาทุกก็รู้ว่าเวลานี้ความทุกเกิดขึ้นแกเราก็รู้ทุกเวลาสุขเกิดขึ้นก็รู้สุขเวลาไม่ทุกไม่สุขเกิดขึ้นก็รู้ไม่ทุกไม่สุขแต่ว่าการที่ความทุกความสุขและไม่ทุกไม่สุขเกิด สลับกันไปในลักษณะนี้มล้วก็สนสัจจะทำความจริงให้ทรงรู้เห็นว่าเอาก็จริงแล้วพวกนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรสุขมัก็ไม่เที่ยงแท้ทุกข์ก็ไม่เที่ยงแท้ไม่ทุกข์ไม่สุขก็ไม่เทียทเเท่ยงแท้เพราะธรรมันเที่ยงแท้มันต้องอยู่ตลอดไปแล้วก็จริงเขาก็แปรผันไปเรื่อย que. พราะการมองขันทั้งห้าในแง่ของความเป็นทุกข์ที่เราเรียกว่าทุกขตาจึงเวลาการปฏิบัติประการหนึ่งที่พระพุทธเจ้าและพระหันทั้งหลายทรงใช้และก็ใช้กันในสมัยนั้นโดยการพยายามมองไปที่ตัวข้างนอกก็ได้กับสิ่งข้างนอกก็ได้แต่ก็ต้องน้อมเข้ามาหาที่ตัวอีกทีหนึ่ง หรือมองจากตัวเองก็ได้แต่ต้องมองเข้าไปหาข้างนอกอีกทีหนึ่งทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วใจก็จะวิ่งไปเกาะในจุดเด่นช่นมองเห็นความเป็นความเดือดร้อนซึ่งเกิดขึ้นแก่คนที่กำลังประสบโรคภัยค่าเจ็บเสียดแทงเปลี่ยนเปลี่ยนจุกใจก็จะเกิดเบื่อหน่ายใครายกำหนัดในจุดนั้น แต่พอดีไปมองในจุดอื่นคนที่กำลังสนุกสนานเพลิดเพลินใจก็คิดว่าตนเองควรจะอยู่ในกลุ่มโน้นคือกลุ่มที่กำลังสนุกสนานเพลิดเพลินอยู่มันก็ละเลยข้อเท็จจริงว่าคนเหล่านั้นที่จริงเป็นเรื่องของทุกข์ที่ลดลงไปเท่านั้นไม่ใช่เขากำลังประสบความสุขอยู่อย่างที่เข้าใจกันดังนั้นมาตรฐานในการกาหนดที่ทรงแสดงเอาไว้ในที่ทั่วไปนั้น จะแสดงไว้สีลักษณะเขาเรียกว่าทุกขลักษณะคือลักษณะที่กำหนดได้เห็นเป็นความทุกข์ซึ่งเป็นมาสที่จะนำไปมองอะไรก็ได้มองคนมองสัตว์มองสิ่งของมองภูเขามองต้นไม้แต่ภูเขาต้นไม้อ จ, จะมองยากหน่อยเพราะว่าเป็นของที่มันใหญ่ส่วนมากจะมองสิ่งที่ง่ายต่อการเห็นถึงสังเกตว่าพวกอารมณ์ของกรรมฐาน ที่ต้องการจะให้มองเห็นถึงความปฏิกูลว่าไม่เที่ยงแท้แ น, น่นอนของร่างกายนั้นจะยกตัวอย่างไว้มองซากศพเขาก็ไม่เอาซากศพใหม่ๆเพราะซากศพใหม่มองยากต้องเอาซากศพที่แสดงอาการจริงๆให้ปรากฏคือศพนั้นจะต้องช่วยเราด้วยช่วยเห็นแจ้งตามความจริงที่แท้จริงของซากศพทั้งหลายด้วย เด็กก็น้องก็มาหาเราน้องไปหาบุคคลอื่นน้องไปหารสรรพสัตว์ทั้งหลายใจที่เคยยึดเกาะในจุดใดก็จะใช้ปัญญาพินิจพิจารณาในจุดนั้นและจะเข้าใจความเป็นอันเดียวกันทางการมองในแนวทุกขตาจึงเป็นการมองในสรรพสิ่งทั้งหลายเมื่อจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ตามก็ให้มองโดยในญาณ น, นั้น ในประเด็นแรกก็คือสิ่งทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นได้โดยลำพังแม้แต่การมีชีวิตของบุคคลแต่และชีวิตมันก็เริ่มจากการไม่มีชีวิตแต่ก็มีเหตุปัจจัยแห่งชีวิตอยู่นั่นคืออวิชากับกิเลส ก, กรรม จุดประสงคสำนวนปฏิจจสมุปาฏก็คือวิชาการสังขารเมื่อสิ่งทั้งสองประ ก, การนี้มีอยู่ก็สร้างขึ้นปฏิสนธิปิญญาณก็ถือปฏิสนธิในครันก็มารดาก็กลายเป็นนามารูปขึ้นมาร่างกายกค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นก็มีอาจารย์นาคือตาหูจมูกเดินกายใจครบถึงกําหนดก็คลอดออกมาประสบกับเย็นร้อนข้างนอกก็เกิดเวทนาขึ้นมา เรามีความอยากในเวทนาบางอย่างปฏิเสธในเวทนาบางอย่างมันก็กลายเป็นตัญหากลายเป็นความยึดติดในกระบวนการของชีวิตเราจะเห็นว่าในแต่ละวันมันก็อยู่ในกฎของปฏิจจสมุปบาทความเกิดขึ้นที่จริงก็อาศัยเหตุปัจจัยให้เกิดเหตุปัจจัยนั้นส่วนปัจจัยตะขาดไ ป, ไป้าบ้างบางอย่างก็ได้ แต่ส่วนเหตจะขาดไม่ได้จะยกตัวอย่างมเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่งที่เราจะปลูกลงไปในดินจางเหนียวในพืชจะต้องยังมีอยู่หน่อพืชยังไม่ถูกทําลายแต่อุณหภูมิที่ปลูกนั้นจะอยู่ในลักษณะเกื้อกูลต่อการงอกของพืชเหล่านั้น3มอย่างนี้ถือว่าเหตุลักษณะของภูมิอากาศสภาพแวดล้อมต่างๆนั้นถือว่าปัจจัย ซึ่งอาจจะช่วยเหลือเกือกูลก็ได้ไม่ช่วยเหลือเกือกูลก็ได้แต่ถ้าไม่ช่วยเหลือเกือกูลความเจริญเติบโตก็ช้าหน่อยหรือว่าไม่เจริญเติบโตได้เต็มที่แต่ตัวเหตุหลักสามประการนั้นขาดไปข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้ขาดไปเพียงข้อเดียวการงอกของเมล็ดพืชดอกนั้นก็มีไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้บางครั้งนี่ท่านบอกว่าเป็นสังขารคือตัวปรนปรือตัวหลัก เช่นวชิวิตของเราก็แบ่งออกเป็นกายสังขารวัชวิสังขารจิตสังขารหมายความว่าเป็นตัวเหตุของเขาเช่นกายสังขารสิ่งที่ปรนปรือกายของเราให้ดำรงอยู่นั้นคือลมอัศสาสะปัสสาส ะ, สะหรือลมหายใจเข้าออกอวัยวะบางส่วนอาจจะพิการไปอาจจะขาดไปหรือบอกพร่องไปในส่วนใดส่วนหนึ่งก็ก็ได้ แต่ว่าถ้าลมหายใจขาดแล้วชีวิตก็จะอยู่ไม่ได้กายสังขารนี้จะดํารงอยู่ไม่ได้เพราะงั้นกายสังขารลมหายใจจึงเป็นเหตุของการดํารงอยู่แห่งชีวิตเพราจีสังขารนั้นคือการตรึกนึกเรียกวิวตกกับวิจารณ์ในความเมื่อก่อนจะพูดเราต้องคิดเสก่อนจะพูดเรื่องอะไรจะพูดอย่างไรพูดไปทําไมพูดไปแล้วจะได้ประโยชน์อย่างไรหรือจะเสียหายอย่างไรจะต้องมีการตรึกนึกไปอย่างนั้นเสียก่อน แต่ถ้าเกิดบกพร่องในส่วนของความตึกนึกที่เรียกวิโตกวิจารณ์แต่ยินการจะได้ยินการตําหนิคนบางคนเช่นพูดโดยไม่คิดพูดพร่องหรือบางทีก็ว่าแรงๆพูดพร่อยหรือแสดงว่าไม่ได้นึกคิดด้วกันวิตกวิจาร์มันขาดไปในช่วงใดช่วงหนึ่งถ้าเกิดความบกพร่องในการพูดสร้างปัญหาขึ้นมาในการพูด ด้วยจิตของเราที่สามารถคิดอะไรได้มันอาศัยสัญญากับเวทนาสัญญาก็คือสิ่งที่เราทรงจําไว้เวทนาก็คือสิ่งที่เราเคยสัมผัสเป็นสุขเป็นทุกข์เกิดมาจากความยินดีความยินร้ายเพราะฉนั้นสาธุชนทั้งหลายจะสังเกตได้ว่า เวลาเราเห็นรูปบางรูปฟังเสียงบางเสีย ง, ง, ยงดมกลิ่นบางกลิ่นลิ้มรสบางรส ถ, ถูกต้องยินดี อ, อนแข็งบางอย่างเราไม่รู้สึกยินดียินร้ายอะไรแสดงว่าอะไรแสดงว่าสัญญาในเรื่องนั้นยังไม่มีเราไม่รู้มันเป็นอะไรแล้วเราก็ไม่เคยได้รับความสุขความทุกข์หรือความยินดียินร้ายจากสิ่ง น, นั้นมาก่อน การเห็นในครั้งแรกการได้ยินในครั้งแรกการสูดดมครั้งแรกการริ้วครั้งแรกและการจับต้องครั้งแรกจึงเป็นโมหะคือเป็นนวิชชาอยู่ยังไม่รู้ยังจิตยังไม่ได้ถึงการวินิจฉัยตัดสินในเรื่องเหล่านั้นแต่พอผ่านพบมาหลายครั้งเข้าเราก็เก็บความรู้สึกเหล่านั้นไว้ทั้งสองอย่างคือจำรูปแบบของสิ่งเหล่านั้นจำความรู้สึกนึกคิดที่เรามีต่อสิ่งเหล่านั้น ทำให้เราเห็นคนบางคนและดีใจโดยเห็นคนบางคนเราไม่สบายใจเห็นคนบางคนแล้วเฉยเฉยทำไมจึงเฉยเฉยเพราะว่าคนที่เราดีใจนั้นเราก็จำไว้ในฐานะเป็นมิตรเป็นสหายเป็นเพื่อนฝูงเป็นญาติพี่น้องเคยคุยด้วยกันเคยอยู่ด้วยกันเคยร่วมสุขร่วมทุกข์กันแล้วก็มีความรักใคร่ผูกพันต่อกันตอปไปเจอกันมันก็เกิดเป็น สุขเวทนาคือเกิดความยินดีเกิดความพอใจขึ้นเพราะตัวเวทนาที่จริงมันก็อยู่แล้วภายในแต่ี่คนบางคนที่พอเห็นแล้วเราเกิดไม่พอใจพวกนี้เราก็จําไว้ในฐานะเป็นศัตรูความรู้สึกก็เก็บเอาไว้ในฐานะไม่สบายจะเจอคนหล่นนี้แล้วรู้สึกห น, านาักใจกัดคอกใจผลพอเห็นมันก็เกิดเป็นความไม่ชอบเกิดความระอาเกิดความจริงชังเกิดมา แต่รูปบางรูปเราก็เห็นกันไปเห็นกันมาอย่างนั้นแต่ไม่เคยกำหนดอะไรชัดเจนลงไปไม่ได้มองทางในแง่มิตรถึงแง่ัตูมันก็มองแล้วมันก็เฉยเฉยไปเจอก็อิกมมันก็เฉยเฉยก็เรียกเป็นอุทุกขมสุขเวทนานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นปรนปลือให้กายให้วาจาให้ใจก็เราไปได้ก็เป็นเหตุปัจจัยในส่วนย่อย ไม่ใช่แม้จะย่อยลงไปอีกกว่านั้นมันก็เกิดมาจากเหตุปัจจัยคือจะเกิดขึ้นโดยลําพังไม่ได้ขันทั้งห้าไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณก็ตามล้วนเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยแม้แต่การรู้รูปเกิดจินดีและยินรายในรูปมันก็มาจากเหตุปัจจัยดังกล่าวเสียงกรินรถผลตภาพธรรมารมณ์ก็มีลักษณะอย่างนั้นในเวทนาเองก็เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัย จะเป็นสุขเป็นทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่สุขก็อาศัยเหตุปัจจัยดังกล่าวแล้วที่ใจไปจําเอาไว้ใจไปมีความรู้สึกเอาไว้ก่อนแล้วก็เก็บไว้ภายในใจพอเจอในครั้งต่อไปก็ออกมาเป็นรูปของความยินดียินร้ายดังกล่าวสัญญาความจําเองก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยตัวเห็นว่าบางอย่างความจําเราก็แย่ออกมากๆ เหมือนที่ท่านยกตัวอย่างคนฟังเทศบางชีเหมือนกัเอาของวางไว้ที่หน้าตักที่ข้างหน้านะฮะบางคนก็วางไว้บนตักบางคนก็ใส่ไว้ในพกคือฟังเสร็จในขณะที่ฟังคล้ายๆจะรู้เรื่องคล้ายๆจะเข้าใจแต่พอออกจากสถานที่ฟังแล้วก็ลืมหมดเลยจับประเด็นสาระเนื้อหาอะไรที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์เอาไว้ไม่ได้ เหมือนกับของที่วางไว้ข้างหน้าพอลุกขึ้นของก็อยู่ตรงนั้นเองหรือบางคนก็ฝังได้าๆกัของวางไว้ในพกหรือว่าวางไว้บนตักพอไปบนตักพอลุกขึ้นของก็ร่วมก็หล่นอยู่ที่นั้นแต่ถ้าวางไว้ในพกหรือใส่ไว้ในกระเป๋าแม้จะไม่มากแต่ว่าของนั้นมันก็อยู่ในกระเป๋าจะ อ, อยู่ในพกของเรา การฟังธรรมะของบุคคลบางคนก็มีลักษณะอย่างนั้นเราจะเห็นว่าทั้งสามอย่างนั้นเป็นความแตกต่างของสัญญาคือความทรงจำของบุคคลบางคนจำได้ดีจำได้แม่นจำได้นานบางคนก็จำอยู่ได้แต่ว่าถึงช่วงหนึ่งก็เลือนหายไปบางคนก็จำอยู่ได้นานๆ น, น, นี่เป็นลักษณะของความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์คือคงสภาพเดิมไว้ไม่ได้ ความจำเหล่านั้นก็เป็นเหตุปัจจัยที่ส่วนใจของเราหรือส่วนประสาทส่วนสมองของเราหรือส่วนใจของเราเนี่ยก็เป็นหลักการสาคัญที่ว่าทำให้คนมีความจำดีจำพิเศษกว่าคนอื่นแล้วก็ปัจจัยภายนอกคือสิ่งเหล่านั้นจะต้องให้ความตึงซาให้ความประทับใจแก่คนให้เราสังเกตว่าคำกรอนอะไรต่างๆที่เราอ่านกันมาในสมัยเป็นเด็กมากมายก่ายกอง แดีวที่เราจําได้ไม่เท่าไหร่ทําไมจึงมีไม่เท่าไหร่เพราะว่าเราจําได้เฉพาะที่มีความตึงซาสูงให้ความประทับใจเวลาฟังแล้วค่อนข้างจะสะท้อนออกมาเป็นรูปธรรมได้ทําไห้เกิดความประทับใจแล้วก็เก็บจําเอาไว้แต่บางอย่างทิ้งไปนานๆมันก็ลืมได้เหมือนกัน นั้นแสดงว่าการเกิดขึ้นก็ดีการตั้งอยู่ก็ดีการดับไปก็ดีของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นล้วนแล้วแต่อาศัยเหตุปัจจัยทั้งนั้นเหตุป right. ัจจัยให้เกิดขึ yes. ้นพร้อมมูลเขาก็เกิดขึ้นเหตุปัจจัยเสื Surprise> ่อมไปก็จะเริ่มเสื่อมไปเช่นความจำบางเรื่องเราอาจจะจำบางจุดได้แต่ก็บางจุดลืมไปก็แสดงเหตุปัจจัยให้จาในจุดนั้นมันหายไป หรือบางทีก็ลืมหมดไปเลยก็แสดงว่าเหตุปัจจัยมันหมดเหตุปัจจัยให้จา ม, มันก็หมดมันก็ดับไ ป, ปราการต่อไปก็คือไม่มีอะไรคงอยู่ในสภาพเดิมได้คำว่าทุกข์จึงแปลว่าทนไม่ได้หรือทนได้ยากโดยปกติแล้วก็เป็นอาการสะท้อนมาจากนัยยะเดียวกับอนิจจตาอนิจจตาก็คือ ดำรงอยู่ได้ชั่วขณะจะมีความเปลี่ยนแปลงแ ป, ปรปลนไม่คงที่ของสิ่งเหล่านั้นซึ่งก็เป็นลักษณะเดียวกับการรักษาสภาพเดิมของสิ่งเหล่านั้นไว้ไม่ได้จะมองจากภาพอะไรก็ได้เราจะเห็นว่าบางครั้งมันก็เรียนจากตัวคนอาจ จ, อาจจะเรียนจากตัวเองหรืออาจจะเรียนจากตัวคนอื่น ตัวอย่างเช่นที่พระพุทธเจ้าทรงนิรมิต ร, รูปของผู้หญิงที่มีความสวยงามให้พระนางรูปปณันธาเทรีภิกษุตีซึ่งเป็นกนิตฐาบาคินีของพระองค์ได้ดูนั้นเราเห็นว่าในตอนแรกก็กลายเป็นรูปที่สวยงามประณีตบรรจงมากสร้างความประทับใจความ ส, สนใจให้เกิดขึ้นแก่พระนาง แต่พอ จ, จิตใจจดจ่ออยู่พระพุทธเจ้าก็เริ่มเปลี่ยนให้รูปนั้นแปรผันไปคือความสวยนั้นได้ลดลงไปเรื่อยๆความเป็นสาวก็ลดลงไปเรื่อยๆใ่สุดก็ลดอย่างเร็วเพื่อเห็นว่าจริงๆแล้วชีวิตนั้นมันถูกการมันขั้นไว้ท่นนั้นเด็งถูกวินาทีถูกนาทีถูกชั่วโมงถูกหลายๆชั่วโมงถูกวันถูกเดือนถูกปีมันขั้นเอาไว้มันขวางเอาไว้ ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้จากจุดเกิดถึงจุดดับหรือจุดแปรผันนั้นจะเร็วมากแต่พอดีกาละบางขั้นเอาไว้แล้วก็เหตุปัจจัยของการดำรงอยู่ของสิ่งเหล่านั้นอย่างหนานแน่นมากพอก็ทาให้ไม่ค่อยเห็นความดำรงอยู่ไม่ได้ของสิ่งเหล่านั้นตัวอย่างที่บอกมาแล้วว่าเราอาจจะดูตรงอื่นเช่นสุขเวทนาทุกเวทนาทุกกรมสุขเวทนาที่สัมผัสในขณะนั่งอย่างนี้นะ เสมตว่านั่งใหม่ๆก็เป็นสุขเราก็ดูที่ตัวสุขเวทนาเหล่านั้นและจะเห็นว่าเอาก็จริงสุขอยู่ไม่นานๆมันเริ่มปวดเริ่มเมื่อเริ่มเป็นเน็บเริ่มชาจนอยู่ได้ระยะหนึ่งแล้วก็พลิกกลับก็ค่อยๆสบายขึ้นอาการปวดอาการเมื่ออาการชาอาการเน็บก็ค่อยหายไปเสร็จแล้วก็รู้สึกได้สุข ประสุกซึงถึงระยะหนึ่งก็เริ่มกลับเหมือนเดิมอีกแล้วเราก็เจอสภาพเหล่านี้กันอยู่ตลอดการมองนั้นอาจจะมองที่ตัวรูปอาจจะมองที่ตัวสัญญามองที่เวทนามองที่สังขารยิ่งสังขารยิ่งมองง่ายใหญ่เพราะสังขาร น, นั้นจะกลิ้งอยู่ภายในจิตคืออยู่ไม่ได้นาน ไม่ว่าจะเป็นกุศลหรือกุศลก็ตามเพีงสังเกตว่าเราประคองไว้ให้อยู่นานๆไม่ได้เช่นสมมตว่าจิตส ง, งบจิตเป็นสมาธิจิตมีปีติจิตมีเมตตาตึงแต่ละอย่างก็เป็นสังขารกุศลเจตสิกเป็นสังขารเราก็ได้ความส ง, งบจากจิตที่เป็นเฉ่นนั้นก็ต้องการประคองจิตได้อยู่นานๆแกก็ไม่ยอมอยู่ก็แกล้งไปแกว้งมาเรื่อยๆ แต่นั้นธรรมะทั้งหลายทั้งที่เป็นกุศลอกุศลสรุปแล้วว่าเป็นเจตสิกคือเป็นสังขารแต่ก็คงอยู่สภาพเดิมนานๆไม่ได้เพราะในการสอนของพุทธเจ้าผสังเกตว่าก็ใช้ใ น, นัยนี้ไม่สามารถจะดับกิเลสได้นานๆก็ดับแต่ละขณะให้ได้ก่อนแล้วก็ขยับการดับไปให้โดวยวิธีการทางสมาธิ การจะเดินสมาธิถ้าได้สมาธิกิเลสก็สงบไประยะหนึ่งทิ้งช่วงนานขึ้นหน่อยแต่จริงๆมันก็กำเริบขึ้นมาอีกเพราะว่าความสงบเหล่านั้นแกก็อยู่ไม่ได้นานเมออยู่ไม่ได้นานอาการของกิเลสก็ปรากฏขึ้นเมื่อความสงบได้จางไปจากจิตแต่เป็นการแสดงสัจจะของชีวิตที่เห็นว่นนี้แหละก็คืออาการ ที่ไม่สามารถรักษาสภาพเดิมไปได้คือคงอยู่ในสภาพเดิมได้ราบเท่าที่ยังไม่บรรลุมรคผลที่เรียกว่าเป็นนิยตะคือเที่ยงแท้แน่นอนคือสาบใดที่ยังที่ยังไม่เที่ยงอยู่เนี่ยมันก็ต้องเป็นทุกข์อยู่อย่างเงี้ยในขณะเดียวกันเราก็ถูกแผดเผาด้วยปรากฏการณ์ตามธรรมชาติแผดเผามาจากภายในแผดเผามาจากภายนอกมีโรคกายมีโรคใจอิสารพัทโรคที่เสียดแทงแผดเผา ร่างกายชีวิตของบุคคลจนทรงแสดงว่าเป็นปูติกายโยคือกายเน่าเป็นรังของโรคเป็นสิ่งที่จะต้องเปิดเน่าผุพังไปเพราะฉะนั้นในระดับวิปัสสนาญาณท่านจะให้มองคล้ายๆกับเรือนที่ถูกไฟไหม้ถือไฟกำลังลุกลามไหม้มาเรื่อยๆแต่ถึงคราวหนึ่งถึงจุดหนึ่งมันก็พังทั้งหลัง ชีวิตร่างกายเราก็เป็นเช่นนั้นเราจะถูกแผดเผาด้วยสิ่งต่างๆสารพัดมีความร่าร้อนเกิดขึ้นมากบ้างน้อยบ้างประสบทุ ก, กเวทนากันอยู่ทุกวันและโดยเฉพาะส่วนจิตสังขารนั้นส่วนจิตสิ่งนี้เกิดขึ้นปรุงแต่งจิตบางครั้งเราจะประสบกับการแผดเผาเราร้อนภายในจิตที่มากยามใดที่มีปัญหาเกิดขึ้นมากๆ เรล่านี้จะยอมแสดงถึงสัจจะความจริงว่าสังขารทั้งหลายนั้นเป็นถุกไม่ว่าจะมองแยกคือมองที่รูปที่เวทนาที่ทสัญญาสังขารวิญญาณในรูปแต่ละรูปแยกย่อยออกไปอีกเวทนามาย่อยเวทนาดูอีกก็จะอยู่ในสภาพอย่างเดียวกันเพรา ะ, ะชีวิตร่างกายของบุคคล น, นั้นเหมือนการเกาะกลุมของ อาคารสถานที่ต่างๆซึ่งแต่และชิ้นที่มาประกอบกันนั้นเป็นของไม่เที่ยงแท้อย่างยืนทั้งนั้นเลยไม่มีอะไรรักษาสภาพเดิไมไปได้ต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสุอ